ลูกจะมองอะไรอย่ามองในวงแคบจงมองในวงกว้างอย่ามองแต่ตัวให้มองคนอื่นบ้างคนที่มองแต่ตัวก็ย่อมจะเห็นแก่ตัวไม่เห็นคนอื่นนานๆนนเข้าก็จะเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ผู้อื่นบ้างเลยเอาแต่ความสุขสบายของตัวเป็นที่ตั้งลูกขึ้นรถประจำทางในกรุงเทพเวลานี้ลูกสังเกตรหรือไม่ว่าคนเห็นแก่ตัวกันเพียงไร พวกผู้ชายอกสามซอกอย่างลูกนั่นแหละเวลานี้อกเหลือไม่ถึงคืบเพราะความเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ผู้อื่นเด็กนักเรียนเล็กๆถือกระเป๋าหนักขึ้นมาเขาก็นั่งเฉยผู้หญิงมีคันแก่ขึ้นมาคนชราคนอุ้มลูกและคนถือของหนักขึ้นมาเขาก็นั่งเฉยอย่าว่าแต่จะลุกให้เลยแม้เพียงช่วยถือของช่วยขยับที่ให้เด็กนั่งก็ยังไม่สนใจจะทา ช่งใจไม้ไส้ระกำใช่จริงๆความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพชนไม่รู้ว่าหายไปไหนหมดมันเป็นสมัยที่ผู้ชายมีความเป็นลูกผู้ชายน้อยลงไปมากไว้ผมก็คล้ายผู้หญิงมองจากข้างหลังไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแถมยังใส่ใสายสร้อยแบบผู้หญิงเขาอีกเอาเปรียบผู้หญิงและรังแกผู้หญิงก็มีมากพ่อไม่ปรารถนาให้ลูกของพ่อเป็นอย่างนั้น แต่ปรารถนาให้ลูกเป็นผู้ชายจริงๆเป็นคนเสียสละมีความอดทนเข้มแข็งบึกบึนไม่ท้อถอยง่ายๆแต่ต้องมีความสุภาพอ่อนโยนคนสุภาพอ่อนโยนไม่ได้หมายความว่าเป็นคนอ่อนแอม่ทำนองเดียวกันคนเข้มแข็งไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีท่าทีก้าวร้าวหยาบคายไร้คุณสมบัติของผู้ดี ลูกต้องนำเอาคุณสมบัติทั้งสองประการนี้มารวมอยู่ในตัวลูกให้ได้คือเข้มแข็งอดทนและสุภาพอ่อนโยนรู้จักเกรงใจผู้อื่นโดยเฉพาะสุภาพสตรีต้องเกรงใจเขาให้มากปฏิบัติต่อเขาอย่างนุ่มนวลสุภาพที่สุดเพราะเพศหญิงเป็นเพศที่ละเอียดอ่อนโดยธรรมชาติต้องการความละมุนละม่อมและความเอาใจใส่อย่างดีแต่ท้งนี้ ลูกอย่าเข้าใจผิดว่าผู้หญิงเป็นเพศ ท, ที่ air. อ่อนแอเพราะความจริงแล้วผู้หญิงมีความอดทนเสียสละอย่างสูงยิ่งข้อหมายถึงผู้หญิงที่ดีได้รับการกล่อมเกลาโดยคุณธรรมแล้วการอุ้มท้องลูกถึงเก้าเดือนเต็มๆ ต, ต, ต่อคนก็ดีการคลอดบุตรซึ่งมีความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสก็ดีเป็นการแสดงถึงความอดทนอย่างยิ่งยวดของสตรี แต่ก็มีความชื่นชมสมนัตแฝงเร้นอยู่ด้วยจากความรู้สึกถึงความเป็นแม่มีใครบ้างเล่าในโลกนี้ที่จะมีความอดทนและเสียสละในการเลี้ยงดูบุตรเหมือนอย่างเพศแม่ข้อความที่พ่อพูดนี้อย่างน้อยที่สุดก็มีหญิงคนหนึ่งเป็นพยานหลักฐานที่พ่อพอจะอาศัยอ้างอิงได้แม่ของลูกนั่นเองพ่อพูดเรื่องนี้แทรกเข้ามา ให้ลูกตระหนักถึงภารกิจอันสําคัญของสตรีเพศเพื่อลูกจะได้ปฏิบัติต่อเขาอย่างสุภาพอ่อนโยนไม่เอาแต่ใจตัวไม่เห็นแก่ได้ไม่คมเหงน้ําใจเขาเมื่อมีการติดต่อเกี่ยวข้องและพ่อเชื่อว่าถึงอย่างไรอย่างไรลูกก็ต้องมีเรื่องติดต่อเกี่ยวข้องกับสตรีอยู่ตลอดชีวิตไม่แง่ใดก็แง่หนึ่งและโดยธรรมดาต่อไปภายหน้าลูกจะต้องแต่งงาน ซึ่งหมายถึงการอยู่ร่วมสุขร่วมทุกข์กับหญิงคนใดคนหนึ่งที่ลูกตัดสินใจเลือกแล้วไปตลอดชีวิตการแต่งงานเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าผีผลาลด่วนได้ดูเสให้ดีคิดให้รอบคอบอีกครั้งคือการตัดสินใจเลือกงานอาชีพที่ถูกกับอุฒิสัยและความถนัดของตนอันเป็นเหตุให้รักงาน ถ้าตัดสินใจผิดทั้งสองครั้งก็จะเดือดร้อนไปตลอดชีวิตหาความสุขความเจริญไม่ได้ถ้าตัดสินใจถูกทั้งสองครั้งก็จะมีความสุขความเจริญความสงบราบรื่นไปตลอดชีวิตถ้าไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาตัดรอนถ้าตัดสินใจถูกเรื่องเดียวก็จะมีความสำเร็จและความสุขเพียงครึ่งเดียวเรื่องการงานและการแต่งงานนี้อันที่จริงยังไม่ถึงเวลาสาหรับลูก แต่พ่อพูดล่วงหน้าให้รู้ไว้บ้างก็ไม่เสียหายอะไรขอย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องการเดินทางไปเรียนหนังสืออีกสักเล็กน้อยตามจดหมายของลูกว่าจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่กรุณาซื้อรถยนต์คันเล็กๆให้สักคันหนึ่งเมื่อลูกจบชั้นมัธยมศึกษาและสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้แล้วนั้นพ่อและแม่ปรึกษากันแล้ว เห็นใจในการที่ลูกตอนลำบากในการเดินทางแต่พ่อต้องการให้ลูกลำบากในวัยนี้วัยที่มีกำลังวังชาสมบูรณ์วัยที่จะต้องสร้างจิตใจให้บึกบืนในการต่อสู้ในสนามแห่งชีวิตเพื่อลูกจะได้สบายในวัยที่ควรจะได้พักผ่อนขอให้ลูกรู้ไว้ด้วยว่าในสนามแห่งชีวิตนั้นลูกจะต้องต่อสู้เพียงคนเดียวไม่เหมือนสนามฟุตบอล ซึ่งลงต่อสู้กันเป็นทีมแพ้ก็แพ้ทั้งทีมชนะก็เหมือนกันแต่ในสนามแห่งชีวิตนี้เมื่อลูกพ่ายแพ้ต่อชีวิตลูกจะโทษใครไม่ได้และคนทั้งหลายที่ดูอยู่ที่จะโทษลูกเพียงคนเดียวถ้าลูกชนะเวทีชีวิตคนทั้งหลายอาจจะยกความดีให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์บ้างในฐานะเป็นผู้อบรมสั่งสอนชี้แนะแนวทาง แต่คนที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดก็คือตัวลูกนั่นเองเมื่อพ่ายแพ้ต่อชีวิตเพื่อนฝูงญาติพี่น้องจะไม่มีใครยอมแพ้หรือร่วมแพ้กับลูกด้วยอย่างดีข้าก็มองอย่างเวทนาสงสารเพราะฉะนั้นลูกควรจะต้องสร้างจิตใจให้บึกบึนอดทนต่อสู้เพื่อเป็นพื้นฐานอันดีแห่งชีวิตของตนเอง ลูกจะคอยแต่เหลียวหาที่พึ่งจากภายนอกหรือจากผู้อื่นพยายามทำตนให้เป็นที่พึ่งแก่ตนให้ได้โดยรวดเร็วตามสมควรแก่วัยเพราะฉะนั้นเรื่องซื้อรถยนต์ให้ลูกขับไปเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นเป็นสิ่งที่ลูกหวังมากเกินไปจากพ่อและแม่ลูกเห็นอยู่แล้วว่าพ่อแม่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยจนใช้เงินได้โดยไม่ต้องคิดหน้าคิดหลัง หรือเอามาวานเล่นเพื่อความสุขความสาราญของลูกส่วนตัวเองยอมทุกทรมานแทบเลือดตากระเด็นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พอสรุปได้ว่าลูกไม่ต้องหวังอีกต่อไปถ้าสมมติว่าพ่อมีเงินที่จะซื้อรถยนต์ให้ลูกได้พ่อก็คงไม่ซื้อให้เพื่อให้ลูกหลงระเริงอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงพาเพื่อนเที่ยวพาผู้หญิงโฉบไปฉายมาอวดโก้ ลงท้ายก็เกียจคร้านเรียนหนังสือด้วยคาดคิดอย่างนี้พ่อจะไม่ซื้อรถยนต์ให้ลูกแน่นอนเรื่องอย่างนี้ลูกควรหาเงินซื้อเองเมื่อเรียนหนังสือจบแล้วจะได้เห็นด้วยว่าการหาเงินนั้นเป็นความยากลำบากเพียงใดการเก็บเงินเพื่อการสร้างเนื้อสร้างตัวนั้นต้องมีความอดทนและเอาชนะเพียงใดคนอ่อนแอเอาชนะตัวเองไม่ได้ ยากนักที่จะสร้างตัวได้เพราะทนต่อสิ่งเย้ายวนต่างๆไม่ได้อีกข้อหนึ่งข้อนี้ยิ่งร้ายใหญ่คือลูกบอกว่าถ้าสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ขอความกรุณาให้คุณพ่อคุณแม่ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกจะไปยุโรปหรืออเมริกาก็ได้ทั้งนั้นลูกเห็นพ่อแม่เป็นบ่อเงินบ่อทองหรืออย่างไรที่จะขุดเอาได้ตามใจชอบการไปเรียนเมืองนอก เสียค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยพ่อคงไม่มีปัญญาหาเงินมาส่งลูกได้เพราะฉะนั้นอย่างลูกนี้จะไปเรียนเมืองนอกก็โดยวิธีใดวิธีหนึ่งสองวิธีคือสอบชิงทุนได้หรือไปทํางานแล้วเรียนไปด้วยพ่อเห็นว่าลูกควรตั้งใจเรียนให้ดีในชั้นมัธยมเมื่อมีความรู้ดีในชั้นมัธยมตามชั้นที่ตัวเรียนอยู่ ถึงคราวสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็น่าจะสอบเข้าได้สมมติว่าลูกมีความรู้ดีในชั้นมัธยมแต่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ไ, ไม่ได้เพราะวิธีออกข้อสอบหรือวิธีวัดผลเป็นวิธีที่ลูกไม่นถนัดจึงพลาดไปอย่าเสียใจท้อถอยหรือสิ้นหวังมหาวิทยาลัยรามคำแผงก็ยังมีสุขโขทัยธรรมมาธิราชก็ยังเปิดรับลูกอยู่ ถ้าลูกมีความภาคเพียรเรียนจริงไม่เหล้วไหลเสเองมหาวิทยาลัยทั้งสองนี้ก็ให้ปริญญาแก่ลูกได้และนําไปสมัครงานในที่ต่างๆได้เช่นกันมันอยู่ที่ความสามารถของลูกเองต่างหากอันหนึ่งในการทํางานนั้นนายงานเขาดูที่การทํางานของลูกมากกว่าดูที่มหาวิทยาลายัยซึ่งลูกสําเร็จมา ถ้าลูกทำงานดีมีศีลมีธรรมประพฤติตนดีมีความขยันหมั่นเพียรมีสติรอบครอบประกอบแต่การที่สุจริตพิจารณาก่อนแล้วจึงทาลงไปมีความสำรวมระวังกายวาจาใจของตนอยู่เสมอไม่พูดพร่ำยิ่งยโสอวดดียกตนข่มผู้อื่นแต่พยายามเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนปกปิดความดีของตนไว้ให้มาก อย่า อ, อ้ออวดคุณพิเศษอะไรของตนเองให้มากนักหรือไม่อวดเลยยิ่งดีความดีของเรานั้นให้คนอื่นเขาพูดถึงอย่าพูดเสยเองคนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมาเรียกว่ามีชีวิตอยู่โดยธรรมหรือด้วยธรรมเป็นธรรมชีวีบุคคลซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าจะเป็นผู้เจริญโลกนี้ยังต้องการคนดีอยู่อีกมากลูกจะเึกว่า เพียงแต่มีปริญญาแล้วจะประสบความสําเร็จทุกอย่างที่ประสงค์ลูกจะต้องมีคุณสมบัติอย่างอื่นอีกเป็นอันมากเป็นอลังการจึงดําเนินชีวิตไปได้ด้วยดีปราศจากคุณงามความดีเสแล้วถึงจะมีทรัพย์มียศมีตําแหน่งหน้าที่ก็หามีความสุขที่แท้จริงไม่เพียงแต่หลอกตัวเองและถูกหลอกให้เพลิดเพลินไปวันวันชีวิต หาแก่นสารอะไรไม่ได้ในชั้นมัธยมนี้เองก็มีวิชาศิลธรรมหรือวิชาพระพุทธศาสนาให้เรียนอยู่เป็นอันมากขอให้ลูกสนใจศึกษาเป็นพิเศษวิชาศาสนาหรือศิลธรรมนั้นคะแนนในการสอบน้อยก็จริงแต่คนทั้งหลายขอให้คะแนนเราอยู่ตลอดเวลามากกว่าวิชาใดๆวิชานี้ มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตเป็นอันมากเป็นความจำเป็นชนิดที่ขาดไม่ได้ทีเดียวอย่าให้คนต่างชาติเขหัวเราะเยาะเราได้ว่ามีศาสนาที่ดีแล้วไม่รู้จักสนใจนำเอาคำสอนนั้นมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันดังที่ท่านศาสตราจารย์มอมหลวงปิ่นมาลาคุณอดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการได้เขียนไว้ว่า ฝรั่งเขาหัวเราะเยาะเราว่าเสียแรงที่มีรัตนาจำนวนสามแต่เหมือนไก่ไม่นิยมชมของงามมัวตะกะตะกรามหาของกินหมายความว่าการศึกษาที่จัดอยู่พาไปสู่อาชีพเสียทั้งสิน้นปริญญาท่วมทนล้นแผ่นดินแต่ขาดศีลขาดธรรมประจำตัวถ้าเรียนหนังสือกัน เพียงเพื่อประกอบอาชีพทำมาหากินเท่านั้นแล้วมนุษย์จะเป็นผู้ประเสริฐกว่าสัตว์โลกประเภทอื่นได้อย่างไร